พระธรรมเทศนาแผนที่109าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่14เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าชาตินี้ให้พอเพียงชาติหน้าให้เพียงพอเอาต่อไปต่างใจฟังนะคณะทัไทาญาติโยม มีอะไรหลงพ่อหลวงตาจะพูดอะไรให้ลูกให้หลานได้ฟังพอลูกหลานมาจากทางไกลมาจากจากตรตุรทิศเข้ามาสู่วัดวาศาสนาอันดับแรกเขามาทำบุญเมื่อทำบุญแล้วก็คงอยากจะฟังทำคำสอนในหลักของพระพุทธศาสนาถึงจะได้มีฟังนิดหน่อยหน่อยนิด ก็ยังเป็นเครื่องสกิดจิตสกิดใจเป็นแนวความคิดสำหรับทุกพวกเราที่ใยในการศึกษาใ่ในการเรียนรู้นะวันนี้เป็นวันที่14เมษายนพุทธศักราช2560วันนี้เมื่อ10บปีให้หลังก็หลวงพ่อเองได้ นำโยมแม่โยมมันดาของหลวงพ่อมาที่ว่าป่วยก็มาเน่แหละมามรณเรื่องมาตายอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยเนี่แหละเมื่อสิบปีให้หลังวันนี้แหละเป็นวันครอบรอบวันหนึ่งเพราะนั้นพวกลูกหลานที่รู้จักมักคุ้นกับโยมยายอุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะอุทิศส่วนกุศลให้โยมยายด้วยวันนี้ แล้วก็วันนี้เป็นวันที่สิบสี่เมื่อวานเป็นวันสงกรานต์ประเพณีไทยเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วก็วันนี้ท่านโยมภู ก, การจังหวัดพลตรีผีลพงวงศ์สมานท่านก็มาใส่บาตรในะวันนี้นะเออมาใส่บาตร ท, ทาบุญตักบาตรวันปีใหม่ และก็พร้อมกับคณะจั t h าญาติโยมผู้กำกับอำเภอนายูงแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนก็มากพอสมควรเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีภาระธุระไปที่บ้านพักหรือว่าเป็นไปที่บ้านของตนเองไปกราบไปไหวบรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย บางคนก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณคือปู่ย่าตาทวดที่มรณภาพไปแล้วอยู่ตามวัดต่างๆจากนั้นพวกเราก็จะได้แจกย้ายกันกลับไปทำการทำงานปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งที่พวกเราถือว่าเป็นเป็นวันลํำลึกถึงแต่ว่าเป็นปีใหม่ไทย ตัวนปีใหม่สากลก็เป็นวันที่หนึ่งมกราอันนั้นก็พวกเราก็ได้ใส่ใจส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ปีใหม่ไทยเนี่ยก็แน่นะแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อก็นึกเป็นห่วงอย่างส่วนราชการเนี่ยที่หลวงอย่างโยมผู้การท่านผู้โยมผู้การตำรวจของเราที่หลวงพ่อเอ่ยชื่อไปเนี่ยท่านก็คงจะเตรียมพร้อม ก็หนักใจเหมือนกันนะพอท่านรับผิดชอบในตัวจังหวัดอุดรท้าววันลูกหลานทำอะไรออกไปประสบอุบัติเหตุรถชนรถเฉียวพอกินเหล้านะท่านก็อยู่ต้องอยู่ในในหูในสายตาสายท่านก็ฟังอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน แล้วก็อยู่ในสายตาของท่านอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน อ, อท่านต้องรับผิดชอบทุกไหมไม่ต้องพูดถึงนะเหมือนกับพวกเราเป็นพ่อเป็นแม่นะัออ่นนะเป็นพ่อเป็นแม่ลูกของเราสามสี่คนเท่านั้นแหละออกนอกรูกนอกทางเราทุกไหมอันนี้ก็เหมือนกัน อ, อถ้าหากว่าออท่านไม่ได้บอกกล่าวไม่แนะนําไม่ได้ใส่ใจ ผู้ใหญ่ทั้งเบื้องสูงก็ตำหนิท่านมาเองนะผู้บังคับบัญชาทำไม้ท่านผู้การไม่ดูทำให้คนล้มาหายตายเรื่องประประสบอบัติเหตุตารวจไม่ดูไม่แลหรอท่านก็ต้องรับผิดชอบท่านก็ทกใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเร า, เาผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วนะลูกหลานทุกคนนะไม่ต้องวานปีนีนะ้ปีต่อไป หลวงพ่อเองจะขอย้ํากล่าวถึงวันเช่นนี้นแหล ะ, ะคําว่าเมาอย่าได้มีนะเอะต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเราอยู่นสถานที่ใดทําให้คนอื่นหนักใจเนละให้ผู้ใหญ่หนักใจนะ่ะไม่ดีทั้งนั้นแนหะละหลวงพ่อว่านะอันนี้เป็นความเห็นของหลวงปู่หลวงตาอยู่ในป่าในดงก็บอกกล่าวเท่าที่จะบอกกล่าวลูกหลานได้นะแต่ตามไม่จริง เราพวกเราได้รับการศึกษาดีแล้วนะโดยมากปริญญาตรีโทรกันทั้งนั้นอย่างน้อยก็ได้รับการศึกษารู้ผิดรู้ถูกรู้สิ่งควรไม่ควรวันนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะในช่วงเทศกาลปีใหม่หนึ่งแล้วก็สงกรานพอเสร็จแล้วนะเขาก็ประ ก, กาศออกมาพวกเราก็ได้ยินเรื่องกันะ ใจหายใจหายใจคว่ำนะแต่อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันพอได้ยินหลวงพ่อก็ไม่สบายใจนะอตายสองสามร้อยคนเจ็บป่วยพันสองสามสี่ห้าพันคนออย่างนี้แหละพอเราได้ยินไม่ใช่เราจะสบายใจนะโอ้ตายไอ้คนที่ตายไปแล้วกันพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอจะมีความทุกข์ใจขนาดหน่อยนะพอจัดของตัวเองประสบอุปัติเหตุนะไอ้คนที่ เ อ, อไม่ตายฮะไงขาหักแขนหักเ่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานจะทุกข์ขนาดไหนหนอนะ้อแล้วต่อไปภายภาคหน้าถ้าหาก ว, ว่าทุกพลภาพขาหักแขนหักขาด้านออวนเหัวนอกพื้น่โตโ ต, โตเตะออจะเป็นบาปเป็นบอก็ไม่เชิงก็จะคงจะเป็นภาระของประเทศชาติต่อไปภายภาคหน้าน้อหลวงพ่อก็ได้คิดถึงอย่างนั้นเหมือนกันนะลูกหลานนะ เพราะนั้นไม่มีใครที่จะรักชีวิตเรือรักรักการเป็นอยู่ของตนเองยิ่งกว่าตัวของพวกเราเพราะนะั่นให้สํารวมให้ระวังนะให้ระวังท่าจุดไหนที่มันจะเป็นอันตรายเราก็งดงดไปก่อนอย่าไปสุ่มเสี่ยงอย่าไปสุ่มเสี่ยงในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมแต่ทุกทุกวันนีาก็ได้ยิน ไม่ใช่แต่ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ถึงสงกรานของเรานะ่ะ อ, อโลกทั้งโลกก็กหึมกห็หึมกันแต่บางคนก็มาพูดขมุกกว่ามาให้หลวงพ่อได้ฟังเออมันจะเกิดสงครามโลกไหมหลวงพอนะอ่อเนี่ยมีผู้ถามนะมีผู้ถามไล่คนหมดหลวงพอ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาใช่ไหมล่ะห <laughs> ลวงปู่หลวงตาก็เลยบอกว่าเอออะไรจะอะไ ร, จ ะ, ะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดตว่า อะไรจะดับมันก็ต้องดับไม่ต้องกลัวกลัวมันทําไหรอเราเกิดมาในโลกนะถึงใครมันจะไม่เกิดจงคารามแล้วก็จะตายอยู่แล่ไงนะไม่ต้องกลัวนะลูกหลานแต่ว่ากลัวให้ทําความดีให้ดีที่สุดเนะี่ยสิ่งไหนที่มันไม่ดีแล้วอย่าทําออให้ประกอบคุณงามความดีใ ห, ให้ทําคุณงามความดีอในที่ดีรู้ไม่ดีให้ทําความดีไป น, นะ ไอ้เรื่องเกิดสงครามไม่เกิดสงครามเนี่ยไม่ต้องวิต ก, กกงังวลหรอกมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอมันจะดับมันก็ต้องดับเอเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของโลกเราอยู่ในโลกวัตถุน์นั่นเองแล้ว เ, เข้าเราคิดไปกระเทานั้น่ะเท่าริบกลัวกันนะเดี๋ยวๆเป็นบ้าปเป็นบอก่อนเกิดสงครามอีกต่างหากจะไปกลัวมันทําไมอ่อมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด่ะเรื่องทั้งหลายทั้งปวง แต่บางคนเขาบอกไง่ายตงพ่อเศรษฐกิจอืเรื่องจกเศรษฐกิจเนี่ยก็ให้ช่วยค่อยช่วยกันดูตนเองนะเอให้ใช้ให้ใช้แบบระบบที่พ่อหลวงของเรานะบอกกล่าวนะนะั่ะเศรษฐกิจพอเพียงนะลูกหลานเศรษฐกิจพอเพียงนะตัวนี่แหละที่พวกเราจะเอาตัวรอดได้ใครอยู่ที่ใดปลูกพริกปลูกเขือปลูก หมกลั ก, กงลักกอหัวตะไครหัวขาที่ไหนที่มันว่างที่บ้านของเราปลูกจะไปปลูกตงดอกไม้ไปปลูกไม้ผลปลูกไม้ที่เราจะได้กินด้วยสลับเข้าไปนี่แหละอันนี้แหละเศรษฐกิจพอเพียงอยาได้ซื้อได้ของเขาต่อไปกันนี่ะเราได้พึ่งพาอาศัย นี่แหะเศรษฐกิจพอเพียงอย่างในหลวงของเราบอกกล่าวนั่นแนหะเอาตัวรอดได้ลูกหลานแต่อย่าไปทะเยอรทะยานแต่เยิรทะเยอทะ ย, ยานน่นนะกระโดดไปกระตกเขียวตกบอกอันตรายถูกเดือดร้อนครอบครัวถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าค่อยเป็นค่อยไปอยู่ด้วยความประหยัดอยู่ด้วยความมันขยันมันขยันอดทน พอพื้นแผ่นดินไทยของเรานี่ยปลูกอะไรได้ทั้งนั้นถ้าเรามีที่ดินบ้านอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกอย่างพวกเราเนี่ยปลูกสิอยู่ในวัดของเราก็เหมือนกันปลูกลงไปพวกตะไครพวกข้าพวกโอโหอาหารเสริมพวกผักพวกเราปลูกได้ทั้งนั้นนะอันนี้แหละเป็นเครื่องอยู่ถึงเศรษฐกิจโลกมันจะเป็นยังไง แต่เศรษฐกษิจในครอบครัวของเราการเป็นอยู่ชีวิตประจาวันของเรามีอยู่มีกินนะอย่างอื่นผมเสื้อผ้ามันก็ไม่ใช่ว่าจะขาดวันละผืนสองผืนมาหลมันนานเป็นจริงจะขาดได้เก็บไข่ได้ป่วยก็เออเอามี ม, มดมีหมออยู่แล้วทางรัฐบาลก็ดูอยู่ดูแลอยู่ แต่เรื่องการเป็นอยู่ครอบในครอบครัวงเราเราต้องดูดูตัวของพวกเราช่วยตัวเองให้ได้นี่แหละถ้าว่าพวกเราใช้แบบระบบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงร .9 ของเราเนะ่ยพวกเราอยู่น่าจฐานที่ใดอยู่ด้วยความพอเพียงเพียงพอเนะ่สุขนะมีความสุขนะลูกหลานนะถ้าพวกเรากระโดดโลดเต้น ถ้าหากว่าไม่มีเงินเข้ามนาะทําเป็นมิจฉาชีพขึ้นมาไปโคดไปโกงไปป้นอไปขายยาบ่งยาบ้ายาม마คัญชายยาฟิน่นนั่นแหละอความจิบหายจะเกิดขึ้นในชุมชนของเราเดือดร้อนพุ่นวายทีนี่เพราะอะไรเพราะโลกพวกเราไม่จักพอนะไม่รู้จักพอนะเศรษฐกิจพอเพียงะถ้าเราทําอย่างนั้นไปว่าเสียหายนะลูกหลานนะนี่เะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ก็พร้อมกันในหลักของพุทธศาสนาหลวงพ่อเนะี่ยย้ำแล้วบอกอีกนะลูกหลานาสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำทำสิ่งที่ดีดีคิดดีทำดีพูดดีถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีอยู่นัชจรารย์ที่ใดมีความสุขกายสุขใจนะเราต้องคิดคิดถึงอนาคตของเราเอีก เ, เมื่อเราทำดีแล้วหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญจุดนี้แหละ ให้พวกเราต้องคิดไว้ถ้าตายแล้วสูนย์นันไม่เป็นไรตายแล้วก็แล้วไปแต่ตายแล้วไม่ศูนอนาคตของเราจะยืดยาวไปภายภาคหน้าถ้าว่าเราทํากรรมที่ไม่ดีกรรมไม่ดีจะให้ผลไปในทางชั่วทุกเกิดมาทุกยากลําบากในภพภูมิต่อไปภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงบอกกล่าวเน้นย้ําให้คณะสิทธิอนุสิทธิพุทธบริษัทของพระ อ, องค์ว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลไว้เนอร์ให้เตรียมพร้อมไว้เนอร์แต่ทุกคนต้องมีจุดจบถึงจะเป็นยังไงก็ต้องมีจุดจบของชีวิตนะแต่เมื่อจบไปแล้วนะมันไม่ใช่จบจะเพียงแค่นี้ดวงวิ ญ, ญญาณคือใจตรงนั้นนะ่ะจะต้องไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิก่อพบก่อชาติอีกนะในเมื่อก่อพบก่อชาติเราได้เตรียมพร้อมหรือยังนะถ้าเราไม่เตรียมพร้อมนะ ถ้าเป็นบาปมกุศลพาไปจะไปตกทุกข์แต่ ย, ยาก น, านะถ้าบุญกุศลพาไปน่จะไปสู่ความสุขสุขกายสุขใจไปเลือกเกิดได้คนที่มีบุญเหมือนกับค น, นคนที่มีเงินคนที่มีเงินไปเลือกเกิดได้ไปเลือกไปเลือกซื้อสิ่งของได้จะไปที่ไหนก็ได้คนมีเงินนี่นเหมือนกันนะคนมีบุญจะไปที่ไหนก็ได้แต่คนไม่มีบุญ ไปที่ไหนไม่ได้นะเหมือนกับคนจนเพราะฉะนั้นให้หลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่าบอกท่านสอนอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อเองหลวงตาเองหลวงพ่อเองเชื่อมั่นจึงได้นํามาบอกกล่าวให้กับพวกคนณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนได้รับรู้รับทราบแต่หลวงพ่อเนี่ยเชื่อมั่นเอาหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยคำว่าเชื่อมั่นคํานี้หลวงพ่อเอาอะไรมาเป็น หลักยืนยันคนเห็นตายแล้วก็ตายไปแล้วก็เห็นเงียบไปเนะี่ยไม่เห็นเขามาบอกมากล่าวนะหลวงพ่อบอกว่าใช่อันนั้นคือตายไปแล้วนะคือเป็นวิญญาต่์พวกเราคิดดูสิพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันเนะี่ยตั้งเยอะแยะไปเนะี่ยส่งกระแสะจิตไปหากันในชะมันส่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีแต่วิญญาณมันไม่มีคลื่นรับนะถะธรรมพุทธเจ้าพร ะ, พาพระหานตสาวกเนะี่ยท่านฝึกฝึกคลื่นรับ คลื่นรับวิทยุนะคือสมาธินะ่ในเมื่อฝึกสมาธิได้แล้วนะ่ท่านจะฝึกคลื่นคลื่นรับวิทยุนะส่งหากันได้อย่างพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะขอให้พระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องพันสองร้อยห้าสิบองค์ให้มาหลงอุโบสถมา พร้อมกันในสันติบาทวันมาฆบูชาแหพระสงฆ์เหล่านั้นท่านได้รับแลวท่านกบมาพร้อมกันพัน0รห้ารูปโดยที่ไม่ได้นัดแน่เมาในเวลาบ่ายวันนั้นที่วันอุบวงโสดอันนี้ถ้าว่าไม่ใช่ส่ ง, ค, สง ค, ษษษษ ค, คลื่นสงคลื่นญาณรัตนญาณรัตนเกิดคลื่นธรรมเราจะว่ายังไงฮะ อันนี้หละอันนี้ก็คือท่านที่ฝึกหัดแล้วท่านต้องมีคลื่นของท่านนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าบอกพวกเราไม่อยากจะไม่ต้องรู้คนอื่นหรอกให้รู้ตนเองก็พอแล้วล่ะนะรู้ตนเองก็พอรู้ตนเองรู้ยังไงให้ฝึกหัดนั่งสมาธิพอนั่งสภามาที่เหมือนกับพระประธานที่นั่งอยู่นี่นะ่ะอย่างพวกเราเห็นพระประธานนั่ง ท่านขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนพุทโทพุทโทพุทธโทนไม่ให้จิตใจปุ่งฟุ้งไปทางอื่นพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละจะรู้ได้หลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบนะลูกหลานนะถ้าจิตใจรวมสงบลงไปแล้วนะ่ะร่างกายเหมือนกับรถนะจิตใจเหมือนกับคนขับรถมันแยกกันเลยนะเห็นได้ชัดนะลูกหลานนะ แต่เดี๋ยวนี้เรามองไม่เห็นเราไม่มองมองไม่เห็นใจของเรานะเห็นแต่ร่างกายแต่ใจของเราเรารู้ว่าเรานึกคิดเรื่องอะไรขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้นะแต่จะให้แจกเป็นสัดส่วนจริงๆ จ, จั ง, จงๆนั้นไม่ได้เพราะนั้นถ้าว่าพวกเราทำจิตใจให้สงบจิตใจเน่งแลจวเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครนี่นี่แหละตัวนั้นแหละตัวที่มันเน่งเป็นสัดส่วนนั่นแหละตัวนั้นะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่าง เนี่ยหลักของพุทธศาสนาถ้าเราพวกเราปฏิบัติเราจะเห็นได้อย่างนั้นนะนาศนัทธาย า, าจยมลูกหลานทุกคนนะเอาต่อนนี้ไปพระ ส, สงฆ์จะอโนุโมทนาให้พรระพรณันนะ